ทำงานมากหน่อยเขาที่ดื่มเหล้าไม่เมาเขาลิงใส่แล้วเขานั่งเฝ้านานๆจิบนิดคุยกันไปนานๆถึงจีบคล้ายๆกับว่าคนเฝ้าเครื่องสีข้าวพอเทข้าวใส่เกลือกะชักให้ข้าวมันไหลไหลแล้วก็ปิดไว้ให้ลูกบดมันมันทำงานสะดวกแต่ถ้าใครชักออกมากกจะตุบให้ข้าวทากลงไป เครื่องสีก็จะดับเสียงดังชิกชักชักชักชั ก, ช ก, ช ก, ช ก, ชกชทุกทีลงไปรูปบทก็ทํางานอื่นเข้าแต่แกงก็จะขาดอย่างนี้อ่เราเหมือนกันเลยดื่มเหล้าดวดเข้าไปดวดเข้าไปดวดเข้าไปปับมันทํางานไม่ทันมันเปลี่ยนออกซิเจนเปลี่ยนฤิ์แอลกอฮอล์ปปอมาเป็นออกซิเจนไม่ได้บางทีเหมือนเครื่องสีแต่แกงมันขาดข้าวเปื่อก็ทะลักไปกับข้าวสารเลยอันนี้เหมือนกันเนอะ มันมันเปลี่ยนไม่ไหวมันก็ปล่อยให้แอลกอฮอล์เข้าสายเลือดไปเลยก็มีอย่างนั้นมันมันเสียตับเสียอะไรเครื่องในของเราเพราะฉะนั้นเราจริง อ, อาจจะไม่มีใครพูดพูดเรื่องนี้ถ้าเราไปมัมวเจียงใจกันในฐานะที่ค้นรักกันก็ไม่ไม่อยากจะพูดอ้อมหกหลวงพ่อว่ารักกันเคารพกันนับถือกันมาเห็นการปฏิบัติธรรมก็ยังมีความสงสาร เพราะว่าพวกลุงพ่อต้องยืนเฝ้ายืนคอยอะไรเหมือนเหมือนคุมรุ่นจิ๋วๆเนี่เออก็สงสัยมันกันนะัหลายวันแลยลุงพ่อว่ากวรปอให้เป็นอิสระบ้างก็ร่วนเป็นพอ่อเป็นแม่ทั้งนั้นแหละลุงพ่อว่าเนี่ยมันมันยากนะเพราะบอกว่าถ้าเราปิดได้เลิกได้มันก็ทําให้ทัพย์สินของเราค่อยกเตือนขึ้นค่อยมั่งค่อยมีมันแบบเจ็บได้กอสมน้อยดังนั้นนฝ่ายเขายิางเขียนว่าหยดน้ำหยดน้อยน้อยห ย, ย, ย, ยดบ่อย บ, อยบอย่น้ำยันหมด รายเจ็จิตนี่ผิดน้อยปิดบ่อยๆก็เสื่อมรถบุญกรรมถึงทําน้อยทําบ่อยๆก็ปรากฏสิ่งเสพติดเสบแต่น้อยเสพบ่อยๆก็พลอยตรยศเหมือนทรัพย์สินกินแต่น้อยกินบ่อยๆก็หายหดจะรู้เอาเงินมีค่าต่อเมื่อน้ําตาไหลหยดเพราะว่ามันไปหลายส่วนเสียหลายอย่างดังนั้นแมลงมุมก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เพราะว่ามลงมุมสร้างให่คอยจิบมลเร็งต่างๆมาเป็นอาหาร มแมลงตัวไหนที่เข้มแข็งกต่อมันเป็นอัตราต่อมันมันก็ไม่สีผามมันก็จะไม่เสียใหญ่ไปพันไปมัดเขาเลยหรือที่มันจะถอยออกห่างห่างแต่นี่เรายิ่งถล้เข้าใส่เข้าใส่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลืองตัวเลยต้องระวังให้ดีอันนี้สําเวมอินทรียอินซียสัวนวาเนี่ยอย่าเข้าใจว่าระวังตาอย่าเข้าใจว่าระวังหูอย่าเข้าใจว่าระวังจมูกความจริงเนี่ยถ้าระวังใจแล้ว มันเป็นการระวังหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงก่อนําเร็จแต่ใจการศึกษาธรรมะของเราก็ใจจาจริงหยาบๆาบกายานุปัสนาเนี่ยอยากจะให้ไปถึงจิตตานนุปัสนานี่มันเป็นการใช้งานจริงๆนะเพราะว่าอาหารใจพูดคือนั้นบอกว่าอาหารใจนี่ไม่มีพ่อครัวแล้วไม่มีแม่ครัวแล้วไม่เหมือนอาหารกาย อาหารกายนี่ยังจัดมีเกด้วยเจอาหารกายก็ต้องสวดเข้าปากอีแหละกินเมื่อที่เก็บใส่ยุ่งใส่ถางก็เต็มเก็บใส่กุดังก็เต็มถ้าเก็บนานก็เน่าก็เออซูญเสียเป็นแต่อาหารใจเนี่ยมันไม่ใช่ผักปลาสิ่งที่จะมาปรุงเป็นอาหารอาหารใจนี่สิ่งที่จะมาปรุงเป็นอาหารก็คืออารมณ์ดังนั้นเราจะต้องเจออารมณ์ อ, มอยู่แน่นอน เจออารมณ์อยู่แน่นอนบางทีกลับบ้านเพื่อนมาขอแขนหางเรามีมีหางให้าแขนหรือเปล่าบางทีแขนปี๋แขนหางทางอิสานนีนะขอแช้นปี๋แขนหางเรียกก็ว่าแช้นปี๋แต่ว่าแถมว่าหางนี้ด้วยเลยโอ้ยขอแช้นปี๋แขนหางนี่ด้วยเขาว่าทางอีสานนะมีเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีบางทีกลับบ้านเนี่ยเราเรามาปฏิบัติธรรมมาฝึกกรรมฐานอยู่หกวันเจ็ดวันกลับไปบ้านพอตาเห็นมันก็ ลักษณะคนไม่สำรวมอนะินซีเนี่ยอินทรียเนี่ยอินซีดิสันวอนสำรวมอินทรีอ่าเราไม่สำรวมใจไม่ระวังใจแต่ว่าอาานั่นแหละเรเห็นเช่นกลับไปบ้านบ้านมันลกละเกลียดละกะอย่างไม่รู้ว่าอยู่กันอย่างไรลู่ลูผู้เป็นเนี่ยก็ อ, อาจจะบ่นเลยนิสยัยู่จีพิดีพิถันเคยจมเคยบน่นก็อาจจะบ่นขึ้นมาเกิดขัดเคืองเพราะว่าลูกหลานเขาไม่จัดแจงกับสิ่งของของไม่เรียบร้อยบ้านไม่เรียบร้อยอะไรต่างๆไม่เรียบร้อย พอตาเห็นมันก็เกิดขุ่นทันทีดูสิเพราะฉะนั้นระว่างตรงไหนเขาบอกว่าสํารวมอินทรีย์สัมบวรการปฏิโมคสัมงวรสํารวมอินทรีย์ส่วนมากก็เข้าใจว่าสํารวมระวังทางกายระวังทางตาระวังทางหูระวังทางจมกูกระวังทางลิ้นระวังทางอใจใจนี่เป็นเป็นต้นเป็นต่อนะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่อาจจมาพูดว่านั้น ัศนานุเรียกความเห็นอันเยี่ยมเห็นอะไรเพราะว่าการสแสวงหาของครูบาอาจารย์นี่ไม่ไม่เหมือนกับการสแสวงหาทรัพย์แต่ว่าเป็นทรัพย์เหมือนกันนะเขาเรียกว่าอัญเิญทรัพย์นะทรัพย์ของพระอริยเจ้าอเนี่ยทรัพย์อันนี้ไม่มีคนพ้นคนขี้อทรัพย์อันเนี่ยทรัพย์ที่เป็นเงินเป็นทองเนี่ยเอความสุขอิงอมิตรแบบอิงเงิน อ, อิงทองอิงสมบัติพระสถานนี่เขาบอกว่ามันอันตราย แต่ว่าโยมก็พากันอยู่ตลอดรอดฟังมาตลอดด้วยการประพฤติปฏิบัติดีเป็นเพื่อนบ้านของคุณเพราะว่าผู้มีทรัพย์มากเนี่ยมันมันเป็นเป็นเป้าสายตาของโจรเพราะที่มีทรัพย์มากเหมือนกับความสุขของผู้มีทรัพย์มากเหมือนกับเรือลำเล็กๆลอยอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทรโอกาสที่จะอับฟังลมจมถูกเขาปนเขาจี่เขาดีเขาข่ามีเยอะแยะ ก็ทรัพย่างน้าโจรเขาชอบแต่อริยทรัพย์เนี่ยไฟ ก, ไก็ไม่ไหม้น้ําก็ไม่ท่วงโจรผู้ล้ายเขาเมื่ก็ไม่รักไม่ฉุบเขาจริงจัดว่าอริยะเป็นอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นการหาทรัพย์เกิดเป็นทรัพย์คือปัญญาทัศนานุษยรนิยะยี่เห็นหรือยังคนเห็นธรรมก็เรียกว่าคนมีทรัพย์นะทัศนานุษย์ิยะเห็นอันเยี่ยมปฏิบัติฮานุษย์นิยะปฏิบัติอันเยี่ง วิมุตตานุตระยพนอะเยียมที่อาตมาว่าคนคนเราเจะทุกเนี่ยเพราะเราไม่ระวังไม่มีสติและมัดระวังสตินี้เป็นมารดาของธรรมทั้งหมดนะเป็นหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์นี่เป็นธรรมะเป็นวินัยที่ภาษาศาสดาของเราตัดเอาไว้แปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ว่าธรรมะมากมายถึงแปดหมืนสี่พันนี่ภษาศาสดา์บอกว่ามีธรรมที่มีอุปการะมากกว่าเพื่อนคือสติสัพชัญญะ มีมากกว่าเพื่อนนอกนั้นเป็นลูกลูกของธรรมสองข้อเนี่ยลองคิดดูที่พอเราเจอปัญหาเนี่ยมีคนมาว่าเขามาพูดกัแหนกกะแหนะเขามาสบประมาทเขามาเหยียดหยามเขามาขู่แต่ข้อเขามาจ่าข่าจ่าแจงเนี่ยเราเกิดกลัวเกิดเกลียดเกียด ข, ขึ้นมาเลยฮึ่ยเบญจขันของเราหนักแล้วหนักไปทั้งชุดเลยไม่ใช่ว่าหนักเฉพาะลูกขันนะลูกเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณมันหนักพร้อมกันเลยพอพอโกรธเขาเนี่ย เบนจ์จขันของเราเท่าไปทุกขันเลยนะเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นเบนจะขันหนักกันไปทั้งหมดเลย<ม>ทีนี้ยเราลองคิดดูสิถ้าเราไม่เห็นอารมณ์นี้เราจะไม่รู้จกักกวดเปื้อนนำมาสวดกันบางวันก็ได้ยินบทสวดบทนี้นำมาสวดเหมือนกันจุปนันจายโยตัมมัตะาตะทวิปัสสติสังหรังสังกุปปังตังวิทามนุปุโรหะ ผู้ใดเห็นทำมารมณ์มันเกิดขึ้นจะเพาะหน้าในที่นั้นนั่นอย่างแก่แง่ไม่งอนแ ง, งแ่คลอนแขลงเขาควรพอ่อคูนอาการเป็นอาการเมื่อกันนะอาการของอารมณ์นี่ยิ่งละเอียดกว่าอาการของกายนะอาการของกายพูดเมื่อกี้ว่าอาการกายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้เนะี่ยอาการเจ็บอาการปวดอาการเหน็ดอยเมื่อมื่อยล้าเรานั่งอยู่ น, นั้นฟากมันหีุดนนะใช่ไหมอย่เรือดแล้วให้ดูฟังจะนั่งให้ดูฟากกินพอดีตายาก กินมากกับกินน้อยีตายเร็วถ้ากินน้อยมันไม่ไม่บรรเทาความหิวได้เราสอบตกอาจจะสอบตกสองทางหนึ่งนำทาชนะไปบรรจุอาหารไม่พอบรรเทาความหิวเอาน้อยเกินไปตายเร็วเหมือนกันนะกินมากกินน้อยตายเร็วเขาบอกว่าจอดเรือให้ดูฝั่งจะนะให้ดูฝากกินพอดีตายยากเพราะว่ากินมากกินน้อยดีตายเร็วมันไม่พอดี มันสุดตรงมากก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงเอาพอดีในขณะที่มาฝึกยี น, นี่ยอาหารกายนี่จะต้องอรู้จักจ ก, กําหนดหนักหลายๆวันเข้าเห็นหลวงพ่อเมื่อก่อนนี่เลี้ยงเลี้ยก็เอาไม่หมดพอดีวันที่สองที่สามเออคอยรู้จั ก, จกส่วนที่ตัวเองจะ่ั้นหมดอาหารใจนี่มันจริงไม่ไม่แน่นไม่ถึงจุดอิ่มตัวแบบนั้นอาหารใจเนี่ย กินอารมณ์นี้ไม่ไม่แน่แต่ว่าถ้าเราไปกินอารมณ์ที่ไม่มีเสด็สัมปจัญญะเข้าไปจัด ก, การกับพิษสงของมันเนี่ยจึงรู้สึกว่าติดคอเราเรียกอารมณ์ค้างใช่ไหมกลัวเขาเขาว่าอย่านั่นอย่างนี่ไม่ชอบจีหน้าเห็นเขาติดศัตรูเห็นกันทีไรมองศัตรูมองไม่เต็มตาควาพติงศัตรูเนี่ยเราอยากเข้าใจว่าเราไม่อยากจะสัมผัสคือนี่ท่านพูด คณะครูบาลยันพูดทิ้งตันหาข้อวีพว่าตันหาตันหาปราจ่าจาใช่ไหมวีพว่าตันหาเนี่ตันหาประเภทไหนเราปราจ่าจ่าพวกโกรธอารมณ์โกรธเชียเชี่ยขุนนี้เราปราจ่าจ่าเราไม่อยากจะส่งหน้าเลยคนที่เป็นศะตูหัวนีเราไม่อยากจะนั่งใกล้เห็นกันทีไรเป็นหนามยอกตาความจริงอยากจะสัมผัสเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตันหาทุกข้ออยากจะสัมผัสกามาตันหาตันหาในกามนี่อยากจะสัมผัส ขออาไปพูดถ้าพูดอย่างหนุ่มสาวเนี่ยอย่างเพศตรงข้ามเขาเขาอยากจะไปถึงเนื้อถึงตัวกันรู้ไกันอยากจะสัมผัสเราไปดูปัจจัยาการมันมีผัสสะแม้แต่กวร์ก็อยากจะผัสสะเหมือนกันนะอภิชาเป็นปัจจัยมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยมีสลายยตนะสลายยตนะเป็นปัจจัยมีภัสสะดูสินามรูปคืออะไรนาม น้ำแท้ๆเนี่ยน้ำร้อยเอร์ซ็นตแต่ว่าทำไมมันรูปลูกน้ำนี่กับมามลูกอันเดียวกันไหมไม่ใช่อันเดียวกันดูสิน้าลูกมันเป็นอย่างหนึ่งน้าลูกมันมีอํานาจมันบีบพันได้แล้วล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้ น, าะะ น, นกามติหาต่างหาในการเขาอยากจะถึงกันเขาอยากจะสัมผัสกันเหมือนกันสัมผัสกันแบบการมติหาเขาไม่ทําอะไรรุนแรง แต่วีพระว่าตัณหาก็อยากจะสัมผัสวิพระาตัณหาตัณหาป่าเสจากอยากจะสัมผัสเพราะว่าตัณหาเขาแปลว่าอยากนะแปลว่ากรมตัณหานี่ก็แปลว่าอยากแต่มันเป็นเป็นจิจดึงดูดเป็นจิตบวกแปลว่าอยากอยากอะไรอยากเข้าไปใกล้คิดอยากพิจิมอยากเพ่งจ้องแหลมมองอยากได้มาเป็นส่บนใหม่ดูสิพว ก, กรรมตัณหา อยากเข้าไปใกล้ชิดอยากพิจชมอยากเพ่งช่องแหลมองอยากได้มาเป็นสมบัติแต่วิพากษ์นาอยากเมื่อกันแปลว่าอยากมันจริงได้ความหมายอยากอยากฆ่าให้ตายอยากไปเสียให้พ้นอยากดีตนอหังอย่างโกรธดีนะอยากฆ่าให้ตายคนจะฆ่ากันตายนี่มันต้องถึงเนื้อถือตัวใช่ไหมการสัมผัสระหว่าง เรากับศัตรูคู่ลนี้นี่จะไม่สัาผัสค่อยๆเหมือนอย่างการมติหารนะการมตัิหารเขาอาจจะเข้าไปจับไปแตะไปต้องไม่ทำํำรุนแรงเหมือนอย่างวิพอ่อตัญหาอย่างขั้วที่เราเข้าไปสัมผัสเขาด้วยความรุนแรงบางทีเราเอากำปั้นอย่างนี้ไปสัมผัสเขาไปสัมผัสไปปลายทางเขาให้เขานอนหงายนี่เป็นตัวใช่ไหมบางทีเราเอาท้าไปสัมผัสก้านคอเขาเนี่ยเขาลงจนนอนหงายนี่สัมผัสเหมือนกันนะมันจึงไปผ่านภาษะหมดทุกอย่างเลยเดี๋ ว, ว่า อาที่เป็นของร่อนความจริงนี่เขาเปรียบอายตนาของเรามันเป็นของร่อนพอเราได้ยินได้ฟังคำพูดที่เขาพูดออกมาคนนกกระเนยเขาสุปประมาณเยี่ยยางคู่ตะคอกใจเรามันร้อนโกรธอดที่จะดา่าเขาหนีอดไม่ได้ก็เลยดา่าเป็นวิธีทุจริตไปอย่างนี้ไปจนเราไม่ได้ดูตัวเองถ้าถ้าใครกับมันดูตัวเองนี่คําว่าดูตัวเองนี่ก็ไม่ได้เอาตาเนื้อดูหรอกรู้สึกตัวแหละเห็นเห็นด้วยตาปัญญาเห็นกิจของเรามันกระเพื่อม เอ็นจิตของเรามันขุ่นมัวเส้นหมองมันขึ้นลงเนี่ยมีเป็นทัศนานุตริยะเห็นอย่างนี้เขาว่าเห็นอันเยี่ยมปฏิบัติต่ออารมณ์ก็ไม่ยากเอาในการเห็นนั่นก็เป็นการเผาไปในตัวแหละอัตตาปิเผามันอ่อนตัวหรืลงเลยมันเบาบางอย่างคลายรูอัตาปิสัมปชัญญูสติมามีในโยโยเยพิชาถุมนาสันมีความเปลียนเปลีเพื่อนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติทั้งความพอใจและความไม่พอใจ มันจะถอนหรืจะเชื่อเฉือนก็ได้เชื่อเฉือนทํามีส่วนชีวิวออกไปไม่ได้ไม่ไม่ต้องเอามนี้หรอกบทส่วนที่เราโลกาสะปาปูปัจจีเรสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาเสปปัจจิเรในขณะที่เรารู้สึกตัวในขณะที่เราเห็นอารมณ์นี้เรากําลังทํางานได้กับบาลีที่เรานํามาเสวดว่าเรากําลังฆ่าสัตวูฆ่าฆ่าศึกนั่นแหละโลกสะปาปูปัจจีเรสคาตะโกเรากําลังเผาเผาด้วยพลังฌานเพ่ง เขาสิ่งที่เรากําลังเผานี้เรากําลังเชือดเฉือนนี่มึงกําลังจะหลุดจิตใจของเรากําลังอ่อนตัวกําลังเบาบางอย่างทายเรียกว่าใจโสมมสิ่งที่เศร้ามองสมมกําลังหลุดลอยออกไปนี่เป็นการฟอกด้วยเศฯฯิตาประโยชน์ทัพนางการชําระจิต ก, ก็ก็ว่าได้นะไม่ได้เอาน้ำสบู่น้าแฟบมาชําระแต่ว่าเป็นการเผาหรือว่าแต่ว่าเป็นการชํำระเเป็นการเชือดเฉือนทํำมีส่วนที่ยิ้มหรือเป็นการ ล่างกาันสติแ ป, ประโยชน์ทานังเป็นการชำระเป็นการล่างในเอาสติเข้ามาเห็นเรื่องสําคัญที่สุดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการโดนจงกลมของเรานี่มันไม่มันไม่ได้คอยครูบาอาจารย์มาเลื่อนชั้นเหมือนเราสอนนักเรียนมีกมําหนดสอนกันอยู่เท่านั้นเทอมเท่านี้เทอมจริงให้เขาสอบเลื่อนชั้นอันนี้กายานุปัจนนา เราจะขึ้นไปหาจิตฐานนปัสานานี่มันขึ้นอยู่กับความฉลาดของนักปฏิบัติในขณะที่ครูบาอาจารย์เขาให้เราเดินโยกมอยู่เดินจยกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยบางทีคล้ายๆกับว่าเราเอาแหะแหะผ้าสองนี่นะอวิปัสสนาวิปัสสนาชั้นสูงชั้นจิตฐานานิพพานานี่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนกายฐานนปัพสนาเนี่ยในขณะที่จิตของเรามันไม่คิดมันไม่ปุ้มไม่แดง เรื่องต่างๆยังไม่ได้ผ่านเข้ามาเรายังไม่ได้เล่นไปในอดีตเรายังไม่ได้เล่นไปในอนาคตในฐานะที่เราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านห่างบ้านมาหกวันเจ็ดวันก็ไม่ถูกอหมความคิดเหล่านั้นมาปุง ม, มาแจงต่างคนรู้จักวางจิตก็เบาสบายกําลังเดินทางเดินจูกมได้อารมณ์อยู่แต่พอเดินจูกมอยู่รู้สึกกับการเคลื่อนไหวไปไปมาๆหรือนัง่งสร้างจังหว่ากาลังรู้สึกอยู่กับการยกไมย้ยกมืออยู่แต่พอมันคิดขึ้นมาปับคิดขึ้นมาเนี่ย รู้สึกคิดเรารู้สึกนะอ๋อมันลักคิดคำว่าละคิดหมายคิดโดยที่ตัวเองไม่ได้เจตนามันละคิดที่เห็นบ้านเห็ลู่เห็นลหลายมันละคิดรู้สึกตัวนั่นเท่ากับว่าตัวรู้สึกนี่เท่ากับเราเลื่อนตัวเองขึ้นไปเป็นกิจฐานทุพสนานะไป้รู้ทันแล้วกลับมากลับมาอยู่ในตําแหน่งกายานุปัพสนาไปอีกอย่าให้มเรื่องมันยืดเยื่ออย่าให้มันยาวเพียงแต่รู้สึกก็เท่านั้นแหละรู้สึกตัวแล้วกลับมา อยู่กับฐานตั้งกายนานั้นปรินานีอย่าห่างแกนีเดี๋ยว ต, ต่อไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันเป็นสัญชาติยาณของจิตของใจเราไม่ได้ห้ามมันนานๆทีมันจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องต่างๆที่มันนำมาคิดมันละคิดจากชาตประหาเที่ยงเนี่ยมันละคิดถึงสี่ข้างห้าข้างเราก็รู้สิทธันมันทุกครั้งนี้มูนพอเทียนว่าเ อ, อรู้เท่าจํานวนละคิดห้าข้าง รู้สึกตัวห้าข้างนี่สติของเรามันไวขึ้นมาพอสมควรรู้เท่ารู้ทันก็เรียกรู้เท่ารู้ทันมันเป็นการกันด้วยเป็นการแก้แก้่ศัตรูหรือข้าศึกที่จะมาย่ํายีให้จิตใจของเราเสียรูปเสียปกติให้จิตใจของเราเอมเ อ, มเอม้ยงห่วยเนี่ยมันจะมาทําให้เราเกิดอารมณ์ไอ้นั่นเกิดอารมณ์นี่การจริงถ้ามันถึงเกิดอารมณ์เราก็จะการกับอารมณ์ อย่าไปโยนอารมณ์ทิ้จัดการอย่างไรเอาสติเข้ามาประกอบโยคาเวชัยเตหภิริเข้ามาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่แสดงว่าเราพยายามเชื่อเชื่นเฉพาะพิษภัยที่ติดมากับอารมณ์แล้วอารมณ์นี่จะเป็นอารมณ์เป็นเดนจกขันเต็มเต็มเต็มสมบูรณ์นี่แหละที่ว่าเป็นจะขันทั้งห้าข้อเดีว่ามันเป็นเบนจะขันที่ไม่มีอุปทานประกอบเป็นเดนจะขันไรหงากหน่ะเป็นเบนจะขันไม่สุดเป็นอาหารใจเลยล่ละน่า ถ้าเราขาจัดพิษภัยมันออกไปเป็นการประคับประคองระดับจิตใจของเราไม่ให้ฟูขึ้นไม่จมลงเรียกว่าฟูแฟบ ฟ, ฟูแฟกหัวเลาะร้องให้หัวเลาะร้องให้เสียใจดีใจเสียใจใจดีใจเนี่ยคือมันจะประคับประคองไม่ให้เสียใจไม่ให้ดีใจมันจะดูตัวเองเป็นอันนี้มันมันเป็นอุปสรรคเยอะนะพวกคิดเนี่ย แต่ถ้าได้ยินกับพูดของครูบาอาจารย์บอกว่าพรอมาคิดตัดออกไปพอคิดตัดคิดพอคิดตัดคิดเห็นนักศึกษาเคยไปพูดกับหลวงพ่อมหากับอมิสิทธิมหาศิลาเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยไปพูดขัดกับหลักปริยัติเพราะว่าทางเกิดปัญญามันมีอยู่สองสามทางสุดท้ยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเขาก็ยกมาให้เราฟังจิมแต่ไม่ใปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการ ทำให้เกิดให้มีหรือเกิดจากการภาวนานี่เขาว่าพอเราคิดแล้วปรปตัดออกมันปัญญาจะมีช่องทางเกิดไหมล่ะทามจริงเนี่ยถ้าเขามองอย่างนี้ก็ดูดูเหมือนเขาเะดถูกเนี่ยแต่ที่จริงไปดูไปดูปฐมวิชารูละวิโตวิจารูสิ ว, วิโวิชานก็ควา ม, ม ว, วามิโความติวิชารณ์ความตอนก็เรื่องคิดๆนี่แหละ หลวงพ่อเทียนนีอ่านหนังสือไม่ออกทำไมไปเจอเอาโดยอเผอิญหลวงพ่อคิดว่าในการปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อเทียนนีต่ตัวเองก็อ่านหนังสือไม่ออกไปเจอโดยอเผอิญไปเจอเขาจังจรงท่านพูดก็ไม่ขาดกับหลักเลยหลวงพ่อเทียนอดูสิถึงนักศึกษาบอกว่าเราไปตัดเจ้านั่นออกหลวงพ่อเทียนบอกว่าไม่ตัดคล้ายๆกับว่าเราขุดบ่อไปถึงน้ำลึกพอไปเจอน้ำไม่ใช่ว่าจะเอามากินมาดื่มได้น้ำ พอน้ำมันออกมาตักทิ้งน้ำมันออกมาตักทิ้งน้ำมันออกมาตักทิ้งการตากทิ้งบ่อยๆนี่เราก็สังเกตว่าน้ำมันอยู่ทัวรี่อยังเหมือนเหมือนจิตใจของเราเน่นแหละเราก็หัดดูความเที่ยงตรงดูอินซีของเรามันจะทนต่อการกระทบกระทั่งนั่นแหละความจริงมันเป็นการฝึกดูจิต ด, ดูใจของตัวเองด้วยเป็นความละเอียดถี่ถ้วนระดับหนึ่งเหมือ น, นมันมันเป็นเรื่องละเอียดละเอียด เพราะฉะนั้นการฝวดกรรมฐานเนี่ยมันมีมันมีสีใช่ไหมกลับมาดูต้นต้นดูสิกายานุปัจนนาสติปัฏฐานเวทนานุปัจนนาสติปัฏฐานจิตตานุปจสนาสติปัฏฐานธรรมานุปจนนาอ่าธรรมานุปจนนาสติปัฏฐานข้อที่สานะจิตานุปจนนาสติปัฏฐานองนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยมันมันมีสีแต่จริงจงเนี่ย พอมาฝึกกับหลวงพ่อเทียนอ๋ออันนี้มันเป็นความจริงฐานของเวทนามีสี่คือถ้าใหญ่ๆนะยืนเดินนั่งนอนมีนขณะที่เรายืนทําเพียนเดินจวงเรา ก, ก, มก็มเราก็ดูกายกายของเรามันไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ในท่ายืนหรือท่าเดินหรือท่านั่งท่านอนมันก็มีเวทนาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียน โอมันมันจริงศึกษาไปพร้อมกันนะถ้าเราแต่ว่าคนใหม่ไม่ได้ศึกษาไปพร้อมกันหรอกให้ดูเป็นอย่างๆไปละ่ะตอนแรกๆก็ให้สะสมความรู้สึกไปก่อนความรู้สึกมันจะเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาคนใหม่ก็ไม่ได้จ่าแจ้งอะไรหรอกก็ยังรู้จักความรู้สึกจับความรู้สึกไปให้มันมนากตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สุดสําหรับคนใหม่ เดินจมกลมเนี่ยอย่าเดินเฉยๆอย่าให้จิตใจของเรามันไหลไปที่อื่นถ้ามันแฉลบออกนอกไม่คิดมันคิดไปนน่นมันคิดไปนี่มันไหลไปสู่อดีตอนาคตอยู่ด้ว่อยนี่แสดงว่ามันที่ฐานคำว่าฐานหมายถึงกายนี่แหละกายานุปจสนาเอากายเป็นฐานตั้งเป็นฐานตั้งของสติสติค่อยรู้สึกอยู่กับที่ไหนมันกลังเคลื่อนไหว อ่าเรานั่งสร้างเช่นว่าก็คงจะเป็นมือละ่ะกําลังเคลื่อนไหวถ้าเราเดินจม ก, กลมก็จะก็คงจะเป็นขาซ้ายขาขวาละ่ะกําลังเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเดินจมกลมนี่ท่านจึงไม่นิยมให้มีการเคลื่อนไหวหลายแหงแขนทั้งสองนี่ชอบกอดอกหรือไผ่หลังบางทีก็อ่าล่วงอยู่ในกระเป๋ากาเงเกงกระเป๋าเสื้อก็ได้ไม่กวายแขนให้มันมีการเคลื่อนไหวเฉพาะเท่าทั้งสอง เวลาเดินโยกมุมมันจะชัดขึ้นชัดเจนขึ้นความรู้สึกมันอยู่ให้มันให้มันกลับให้มันกำกับเฉพาะแห่งอย่าให้มันมากแหงให้มีเฉพาะเท้าซ้ายขวาเท่านั้นเดินโยกมุมเวลาสร้างจังหวะก็ให้มีเฉพาะมือซ้ายมือขวาโยกความรู้สึกให้มันมากต่อต่อต่อไปต่อต่อไปเราก็ จะรู้จักรูป hey? รู้จักนามที่นี่มันจะรู้จักทุกครังอนิจจังอนัตตาเพราะว่าเราอ่ไม่สามารถจะทนอยู่ได้ต่างคนคลอดลุกลี้ลุกลนอยู่ในท่านั่งท่าเดียวตลอดวันไม่ได้อยู่ในท่ายืนท่าเดียวตลอดวันไม่ได้อยู่ในท่าเดินท่าเดียวตลอดวันไม่ได้เพราะว่าเราจะเห็นข้อไปกับบทสวด ต, ต, ต่างๆเพราะว่ารูปมันไม่เที่ยงเวทนา ม, มันก็ไม่เที่ยงอย่างที่เรานำมาสวด เวทนานี่หลวงพ่อก็อุะมาณเหมือนฟากมันหีนก้นมนีด่าเมืันตะกี้เนี่ยถ้าฟากหนีนี่เราไม่เปลี่ยนเราก็เสียคนเหมือนกันเราไม่รู้จาักกายบริหารเมื่อก่อนนี่พระท่องกายบริหารก็เป็นเป็นข้อปีกย่อยเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วกายบริหารมันติดกับเวทนานติดกับถ้ายืนทาเดืนทายา น, านทายนอ น, นกายบริหารที่พระเรียนนี่กายบริหารสิบสี่ข้อ อะไรแหละอย่าพึงไว้ผมยาวใจว่าได้เพียนซองเดือหรือซองนี้อย่าพึงไว้เอเล็ดยาวการขันมุนทีนหรืแค่มุนเล็ดตะกิดคุณทาอย่าพึงไว้ขนจมูกยาวพึงร้อนเสียด้วยเนี่ยมีเพียงเอาขนที่ยาวออกมานอกท่องจมูกเพราะขนในจมูกมีประโยชน์ในการกรองทุเรียว่าไปอย่างเนี้ยอแล้วมาดูแล้วมันไม่ใช่กายบริหารอจริงๆเหมือนอย่างพวกฝึกกรรมฐานกายบริหารของพวกฝึกกรรมฐานนี่ ถ้าเราอยู่ที่ท่ามั่งมันเจ็บมากมันปวดมากมันเหนื่อยเหนื่ยมากเราทนอยู่ต่อไปไม่ได้ทนถ้าทนต่อไปก็สูนธรรมชาติคำว่าธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่มีเองเป็นเองธรรมชาติเนี่ยเราอย่าเข้าใจว่าภูผาป่าไมา้ต้นน้าลําทานนอกมันก็เป็นธรรมชาตินอกตัวแต่ความเจ็บความปวดความเหนื่อยเหนื่อยเมื่อไรก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็แปลว่าสิ่งที่มีเองเป็นเอ ง, เ, เ, องเกิดมาเอ ง, งนักปฏิบัติทุกท่านไม่ได้หามาใส่ตัว นั่งอยู่เเค่เเนั่งอยู่ดีดมันมีมาหาเราเองอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อเฉียงก็มีอ่าเป็นคําโค้งกากับเหมือนกันนะไอ่้ไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื่อถ้ามันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลใจเราก็เหมือนเสื้อคลุมกายก็เหมือนเสื้อเหมือนผ้าที่เรานุ่งห่มคลุมกายเนี่ยนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื่อถ้ามันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลใจเราก็เหมือนเสื้อคลุมกาย หลวงพ่อเขียนว่าถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้ามันไม่เอื้อเกเฟ้อเฟ้อกูนเจรเราก็เหมือนเสือใหญ่อยู่ในป่าหลวงพ่อท่านอธิบายว่าสิ่งที่ไม่ใช่ชาติเชื้อของเราไม่ใช่เนื้อนหนอหรือพองเขาเราก็ของลูกเราคือพวกดินาชาติลูกชาติภูษาชาติสมนุนไทยภูษาชาติเขาอุบัติอยู่ในราวป่าเกิดในป่าในดงเกิดในหุ่ผิวหอมห้วยที่ไห น, น เ่อนกลบ้านใจเมืองไม่ไม่ได้มาเกิดนี้ชายขาบ้านร่วม เ, เราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขามาเอื้อเฟื้อเกลือกูงแ จ, จเ่เร า, น า, นนาเป็นยาขนานนั้นเป็นยาขนานนี่ดูสิเกิดไกลเรานะดูสถานที่เกิดของเราเขาไม่ใช่เพื่อเขาเหล่ากอเลยไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อของเราเลยแต่เอื้อเฟื้อเครือกูงแย่เราก็กเหมือนเสื่อคุมกายไอทีมันเป็นชาติเป็นเชื้อของเราดูสิความเจ็บปวดเกิดกับกายเราไหมเนี่ย ความเหนื่อยเมื่อยล้าความอ่อนเพลียเพลียแรงอารมณ์ที้สุนเกลียวเกิดคุณเกิดมัวเกิดปฏิฆะเกิดมุนีเกิดลำค้างเกิดเดือดดางเกิดเคียดแค้นเกิดเครือมุนว่าวุ่นต่างๆนี่เกิดกับเราไหมเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้ามันไม่ อ, อ, อืดอึ้งเพื่อนกุ้นใจเราก็มีเสือใหญ่อยูอย่ในป่ามันคอยตัดบปปมันคอยขบกัดมันคอยขี่ขวัเราให้ได้รับความเจ็บปวดอยู่เรื่อยเราเจ็บปวดทางกายนี่ยัง ยังวิ่งไปหาหมอได้นะเจะปวดทางใจนี่ไม่รู้ว่ใครจะมารักษาให้แล้วป่วยใจเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามารักษาไข้รักษาป่วยรูปโรคโรคภัยที่เกิดกับรูปนามโรคโรคภัยที่เกิดกับจิตกับใจมีเหมือนกันนะเยอะแย ะ, ยะถ้าเราได้ธรรมะในภาคปฏิบัติไปเนี่ยสุขภาพของ ครูบาอาจารย์ของโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายจะยืดเยียวยาวนานอายุของเราจะได้เป็นล้มโพล้มไส้ของพวกลูกห ล, ก ล, กลานเนี่ยเขาเขาจริงแต่ว่าส่วนมากการปฏิบัติธรรมนี่ทุกแห่งทุ่แห่งทุกหนทุกแห่งเนี่ยมันจะว่าสอนสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่ามันไม่ไปด้วยกันเนี่ยภาษาสดะปรับอาบาลเหมือนกันนะ ถ้ามาสอนกรรมฐานในที่แห่งเดียวกันเนี่ยเห็นไม่ในลสุ ว, ว่าพิสูจสอนท่านแกอนุปสมบันทว่าพร้อมกันต้องอาบัตเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อมไม่เข้าใจเอ๊ว่าพร้อมกันอย่างไงมันต้องอาบัตเนี่หมายถึงสมมุติว่าการสอนกรรมฐานมีครูบาอาจารย์ถนัดคนละเอ่อย่างกรรมฐานพ่อหนึ่งถนัดสอนสมถะกรรมฐานพ่อหนึ่งถนัดสอนการเคลื่อนการไหวแบบหลวงพ่อเทียน ถ้ามาช่วยงานกันที่นี่สอนกรรมฐานร่วมกันเจ็ดวันมาแบ่งกันซะต่างวา่าละกันก็จริงแต่ว่าเจ็ดวันนี้จะต้องอยู่ด้วยกันวันหนึ่งแบ่งเป็นสองภาคภาคบ่ายให้อพวกสมถะภาคเช้าให้พวกอสมถะสอนซะนี่ยพวกสมถะสอนก็อาจจะบอกว่านั่งขัสมาธิแบวขาขวาเท้าขาซ้ายมือขวาทักมือซ้ า, า, ายตั้งตัวตรงดํารงสติเฉพาะหน้านั่งหลับตากําหนดลูปหายใจเข้าออก พุทโธพุทโธหรือยุบนอพองหนอพอพราะภาคใบอาจารย์มาสอนเออบอกว่าพยายามเดินโยกงมเข้าพยายามสร้างจังหวะอย่าลับตาเดี๋ยวนิวรมมันจะมาคร อ, อบนาการหลับตาเนี่ยมันใกล้กับการมวยเคลื่เพราะงั้นต้องลืมตาเอาไว้คล้ายๆกับว่าเราไม่ชอบอสติเป็นลูกสาวแสนสวยของเราเนี่ย ท, ทีนั้นมิทะคือความง่วงเนงาเป็นชายเจศเมเลกเราไม่อยากจะให้เขามาใกล้ลูกสาวของเราแล้วก็เรียกว่าวิธีป้องกันคือลืมตาเอาไว้ถ้าการหลับตาทํานี่มันมันใกล้กันกับการง่วงเหงาเดี๋ยวมันจะง่วยเพิ่มไปเลยเนี่ยมุ่มพ่อเทียนป้องกันถ้าเราเอาอาจารกรรมฐานสองฝ่ายมาลงด้วยกันทีเนี่ยไปดูนะสกายและทิฏิวิจิชฌา ปฐุมไอ้พวกผู้ทิ้งชันเขาละสังโยชน์กี่ยาเนี่ยนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะละส ก, กายยะทิฏฐิวิจเจะเพิ่มส ก, กายยะทิฏฐิถ้าอาจารย์สองฝ่ายมาสอธธานคุลธรามตอนเชาน้ามีพวกหนึ่งมาให้หลับตา